บอกน่าจะบอกเสียตั้งนมนานลอยให้เราฝันหวานทอดสะพานให้ตั้งสี่เสาน่าจะบอกน่าจะบอกว่าชอบเพื่อนเรา ก็ทุกค่ำทุกเช้ามาคุยกับเราทิ้งงานทิ้งการนึกว่าจะมาชอบเราแท้ก็เอาเราเป็นสะพานคุยกับเราตั้งนานสองนานแต่ทำตาว่า สเสียเกือบใจสุดปล่อยให้เรารักพูดเป็นต้นละมุด ท, ที่ถูกยากคุม จะมาชอบเราแท้ก็เอาเราเป็นสะพานคุยกับเราตั้งนานสองนานแต่ทำตาหวานก็เพื่อนไม่หยุดเอ้ยเพิ่งจะสาบเพิ่งจะสาบเสียเกือบใจสุด ลอยให้เรารักคู่เป็นต้นละมุดที่ถูกยา